คาว่าเที่ยงคาว่าแน่นหนาทาวรหรือกิรังมั่นคงเป็นสิ่งที่โลกต้องการในส่วนที่ถึงปรารถนาเช่นความสุขเป็นต้นแต่กิ่ดังกล่าวนี้เราจะหาได้ที่ไหนเพราะในโลกนี้เต็มไปด้วย สิ่งที่ขัดต่อความต้องการทั้งเราทั้งนั้นคือเป็นประปักษ์ลึกลงจนข้ามไปหมดมีทีนเรื่องอนิจจังนะกทวาสุขก็มีทุกขังเข้ามาเสียอนัตตาเข้ามาเสียเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่โดยถูกต้องสิ่งนี้เราค้านไม่ได้เพราะเป็นของตายตัว ทำก็แสดงตามความจริงที่มีอยู่อย่างตายตัวไม่ได้หาอะไรมาเพิ่มเติมคำตัสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เราอยากเข้าใจว่าท่านหาอะไรมาส่งเสริมเพิ่มเติมสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้นหรือให้ลดน้อยลงไปหรือไม่มีก็หาเรื่องว่ามีอย่างนี้ไม่มี ท่านจะแสดงตามหลักความจริงล้วนๆทั้งนั้นไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดจุดของศาสนาอันแท้จริงที่สอนเพื่อดำเนินหรือการหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ได้พอควรท่นานก็สอนไว้แล้วว่าสัพปปาปัสสะอาการะนังการไม่ทำความทั่วทั้งปวงหนึ่งนั่นกุศลสู้ประสัมประดา การยางังกุศลคือความฉลาดในสิ่งที่ชอบทำให้ถึงพร้อมหนึ่งสติตะประโยชน์ปหนังทางจิดของตนให้ของสจนมาทั่งถึงความบริสุทธิ์หนึ่งเกตังพุทธานศสาสนังนี่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะคือชี้ถึงวันนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ไม่มีองค์ใดที่จะแสดงให้แตกต่างนี้ไปเพราะความจริงทั้งหลายไม่มีของแตกต่างไม่ว่าจะสมัยใดก็ตามมีเรื่องอนิจจังทุกขังนาตาอยู่เป็นประจําโลกมานมนานแม้พระพุทธเจ้ายังไม่ไม่ได้จัดทะลขึ้นมาเป็นระหว่างสุญญากับคือไม่มีคําสั้งสอนแสดงเรื่องความจริงเหล่านี้ก็ตามความจริงเหล่านี้ก็มีมาดั้งเดิมมีมาประจําอย่างนั้น สิ่งที่เราต้องการเราจะหาได้ที่ไหนโลกกว้างแสงกว้างเต็มไปด้วยสิ่งดังกล่าวนี้ทั้งนั้นแม้แต่ร่างกายของเราก็เต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้หมดทั้งตัวเมื่อเราคิดอย่างนี้แล้วก็เหมือนกับจะหาที่เหยียบยากไม่ได้หาที่ตรงจิตตรงใจลงไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันก็สถานที่ว่าตรงจิตตรงใจลงไม่ได้นั่นแหละคือสถานที่พึงหวังของเรา พระพุทธเจ้าก็สาเร็จทรงสำเร็จความมุ่งหวังจากสถานที่นั้นพระสงฆ์สามกที่จ้เป็นสารนาของพวกเราก็สำเร็จความมุ่งหวังในจุดนี้ธรรมที่จะนำมาประกาศสอโลกให้พวกเราทั้งหลายได้ยึดถือตลอดมาก็ออกมาจากจุดนี้คือใจที่ห้อมล้อมอยู่ด้วยกองอนิจจังทุกขังหน้ า, านั่นแหละ เป็นผู้รับทราบเป็นผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องอนิจจังทุกขังอัาตาที่มีอยู่เต็มโลกแต่จุดนี้ก็เป็นเป็นจุดที่จะปลอดภัยได้เมื่อดำเนินตามหลักธรรมคำตัางสอนของพระพุทธเจ้าที่ชี้ไ้แล้วโดยถูกต้องเราเกิดมาด้วยกันทั้งคนไม่มีอะไรบกพร่องในความเป็นมนุษย์ตามสมมุติยมเต็มตัว เราจะทำอย่างไรจรึงจะส่งเสริมคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ที่ไม่บกคล้องนี้ให้มีความสมบูรณ์ขึ้นด้วยคุณธรรมที่จะจะรับจากกองนิจจังทุกขังห น, น้านี้ดังที่เราทั้งหลายเนี่ยมาบำเพ็ญอยู่เวลานี้และบำเพ็ญเรื่อยมานี่แลคือทางดําเนินเพื่อความลบดีปีดภัยทั้งหลายได้โดยลําดับจนกระทั่งหลุดพ้นไปได้ถึงสิ่งที่พึงหวังจะเรียกว่านิจจังเป็นของเที่ยงกาได้ เมื่อไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีอะไรเข้ามาทาลายความมุ่งหวังไม่มีทาอะไรเข้ามาทำลายจิตใจให้เดือดร้อนวุ่นวายแล้วเราจะเรียกว่านิจจังคือความเที่ยงก็ไายสุขขังอันเป็นอรมณ์มก็ไม่ผิดเราจะเรียกว่าอัตตาเข้ามาผิดเป็นตนแท้ตนในหลักธรรมาชาติแต่ไม่ได้หมายถึงว่าอัตตาที่เป็นคู่กับอนัตตาอันนั้นเป็นความสมมุติอีกขั้นน่ะ แนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติเพื่อความแที่ยงลาดปลอดภัยไปโดยลำดับไม่ว่าภายนอกภายในไม่มีสิ่งใดที่จะนอกเหนือจากพระโอาวาทคำาังสอนของพระพุทธเจา้านี้เพราะฉะนั้นศาสนาจึงไม่มีทางล้าสมัยเป็นมัชิมาอยู่ในท่ามกลางแห่งความประพฤติความเป็นไปของโลกอยู่เสมอไปคือเหมาะสมกับโลกทุกการทุกสมัย จึงเรียกว่ามัดขิ ม, มาคือถูกต้องดีงามเหมาะสมกับการประพฤติแต่ประพฤติตัวให้เป็นเช่นไรด้วยหลักธรรมที่สอนมาแล้วนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามด้วยกันทั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งการประพฤติต่อจิตใจคือการอบรมจิตใจยิ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในตัวของเราเวลานี้เราเป็นความแน่ใจแล้วยังว่าเราได้ หลักเป็นที่พึงใจเริ่มจะได้หลักเป็นที่พึงใจแนบอยู่กับใจของเราไม่เดือดร้อนวุ่นวายเมื่อคิดถึงเรื่องอนาคตนับตั้งแต่ขณะต่อไปนี้จนกระทั่งถึงอวสานในชีวิตและตลอดไปถึงภบหน้าชาตหน้าเราเป็นที่แน่ใจได้แล้วอย่าง พระพุะทธเจ้าท่านไม่สอนให้คนโง่ต้องในพิจน า, าเสมอความเป็นมาของเราเป็นมาแล้วเท่าไหร่เมื่อลบแล้วมีอะไรบ้างที่เหลืออยู่แล้วต่อไปนี้เราจะหาอะไรมาบวกให้มีความเพิ่มขึ้นในสิ่งที่เราต้องการหรือจะมีแต่เครื่องหมายลบไปเรื่อยๆถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าขาดทุนเราทุกคนเกิดมาไม่ต้องการความขาดทุนถ้าขายขาดทุนก็ไม่ เป็นสิ่งที่โรคปรารถนากันอะไรๆก็ตามขึ้นชี่ว่าขาดทุนแล้วขาดแล้วขานเล่าขาดมาอยู่ในถ้อยก็ล่มจมไปได้เราก็เมื่อขาดทุนอุพาณาจิตใ จ, จคือขาดทุนจากคุณงามความดีนี่แต่สิ่งที่ไม่ดีเหยียบย่าทำลายไปอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ล่มจมได้เช่นเดียวกันกับเรื่องสมบัติเงินทองภายนอกเพราะฉะนั้นเราจึงควร ได้สังเกตสอดรู้เรื่องของเราตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแต่พ อ, อย่างยิ่งการจิตตภาวนาเป็นเรื่องสําคัญที่จะทดสอบตนนั้นเห็นอย่างประจักษ์ไม่มีความรู้ใดที่จะแหลมคมยิ่งกว่าความรู้ที่เกิดขึ้นจากด้านจิตตภาวนาจะสอดแทรกไปหมดบรรดาความจริงที่มีอยู่ที่ไหนไม่ว่าดีชั่วหยาบละเอียดจะนอกเหนือปัญญานี้ไปไม่ได้ เราค้นรู้ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระนี่เพื่อให้ยึดเอาสิ่งที่เป็นสาระขึ้นมาจากการค้นการพิพจารณานี้เป็นสิ่งที่ทําได้ดังที่เจ้าเคยดําเนินมาแล้วพิจารณาอันนิจจ์คือความไม่เที่ยงความแปรสภาพแห่งสงาร่างกายและสิ่งทั่วไปนั่นแหละเป็นอารมณ์ให้จิตของเราได้ค้าหาที่พึงที่ยึดอันเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นสาระคุณสําคัญท่านพิจารณา ร่างกายซึ่งเป็นของไม่เที่ยงนี่แหละแล้ได้คุณธรรมซึ่งเป็นที่แน่ใจขึ้นมาจากการพิจารณาเหล่านี้หนังสือเราอ่านมาจนติดปากจนชินอ่านที่ตรงไหนก็เจอตั้งแต่เรื่องอนิจจงเรื่องทุกข์ ข, ขงังเรื่องอนาาัตตาแต่ไม่สะดุดจิตสะดุดใจอย่างนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์พ ร, พระพุทธเจ้าสอนไม่ได้สอนอย่างลอยๆครที่ท่านจดจารึก ลงไว้ก็ไม่ได้จารึกแบบลอยลอยผู้อ่านอ่านแบบลอยลอยไม่ได้คิดเลยกายเป็นเรื่องศาสนามันเป็นของจํเป็นเป็นของลอยลไปเสียทั้งทั้งที่ตัวเราลอยเราไม่รู้ไงถ้เาเห็นอันอื่นเป็นเป็นเรื่องลอยๆยไปเสียตัวของเราเองนั่นแหละลอยลงหาหลักยึดไม่ได้มันก็มาเสียตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจงต้องพิจารณาให้ถึงจิตถึงใจ าเรื่องทุกขัขงก็ให้มันชัดในตัวของเรามีอยู่ในตัวของเราทําไมจะไม่รู้พระพุทธเจ้าท่านทําไมรู้ว่าอะไรเป็นทุกข์นอกจากเรื่องทางเรื่องขันเรื่องจิตใจแล้วไม่มีอะไรเป็นทุกข์ในโลกนี้เพราะเราเป็นผู้รับผิดชอบในท่านในขนันอันนี้ตั้งแต่วันอุบัติขึ้นมาจกนกระทั่งวันอวส า, าแนแห่งชีวิตจะต้องรับผิดชอบกั น, นด้ื่อยไปเช่นนี้นากเบา้าอะไรต้องเราต้องรับภาระทางนั้นอันนี้จังมีอะไรแปรบ้างหรือไม่แปร ى? ้ายในตัวของเหล่านี้ตู้ที่อื่นมันใจายไปมุมลานอกสุม่มเอาในสุ่มนี้แหละคือตัวของเราเนี่ยค้นเข้าไปที่ตรงนี้มีอะไรแปรบ้างเราเห็นยูทุกแล้วเนี่ยถ้าใช้ปัญญาพิจารณา ธรรมชาติปิดตกวขาชราปิดตกวขามานำปิดตกขังแล้วก็สวดซะจนชินปากแต่ใจไม่อยู่กับชาติปิดตกขาชราปิดตัข า, า, า, ขามันอยู่เนะไปไหนก็ไม่รู้ก็เลยสักแต่ว่าสวดสักแต่ว่ากันไปเป็นทํานองทำเนียมไปแต่กิเลสที่อยู่บนหัวใจเรามันไม่ได้ทํานองทำเนียมมันเป็นกิเลส จ, จริงๆมันก่อควรจริงๆทําความทุกข์ให้เราจริงๆเนี่ยการแก้กิเลสการแก้ความ ไม่ดีอยู่ภายใ น, นจิตใจจึงต้องทําด้วยความจงใจทําด้วยความอุตสาห์พยายามทําด้วยความปักจิตปักใจจงใจจริงๆทําด้วยความอุตสาห์พยายามภาคเพียรหนักก็สู้เบาก็สู้เช่นเดียวกับเราตกน้ําพยายามแบบว่าขึ้นบนบกกําลังมีเท่าไหร่ก็ต้องทุ่มกันลงอืจนกระทั่งชีวิตหาไม่แล้วจึงจะยอมจมน้ําตายหากว่ายังมีพอตะเกียบตะกายอยู่แล้วจะไม่ยอมจมน้ํานี่อันนี้ก็เช่นเดียวกัน จะสมกับที่พระพุทธเจ้าท่านประทานโอวาทแก่สว์โลกไว้ด้วยพระเมตตาอย่างเต็มทะไทแล้วก็เข้ากันได้ํามหลับพระเมตตาที่ทรงสั่งสอนสัรโลกด้วยอดด้วยธรรมเราสนองท่านด้วยการประพฤติปฏิบัติแต่ว่าจงนักพักดีต่อพระพุทธเจ้าข้าถูก แต่ว่ามีความจงรักภักดีต่อตัวเพื่อความสูกความเจริญแก่ตัวก็ก็ได้ไม่ผิดแต่สรุปแล้วก็คือเพื่อเราอย่างเดียวเท่านั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้มาแบ่งสรรปันส่วนอะไรกับพวกเราวันหนึ่งคืนหนึ่งคืนหนึ่งผ่านไปอยู่เรื่อยๆถ้าจะสะดุดใจเราก็ควรจะสะดุดผ่านบัตรไหก็หมดไปทันั้นไม่มีทางที่จะย้อนกลับมาในความผ่านไปแห่งักร่างกาย ของเราทุกส่วนวันคืนปีเดือนมันมีมืดกับแจ้งจะว่าผ่านไปหรือผ่านมาก็แล้วแต่มันมีมืดกับแจ้งเท่านั้นแต่เขาเรียกว่าเวลาที่ผ่านไปสังขานร่างกายก็มีความผ่านไปเช่นนั้นเหมือนกันผาผ่านไปโดยลําดับไม่มีการย้อนกลับสําหรับร่างกายอันนี้จะต้องไปถึงที่สุดจุดหมายปลายทางในวันหนึ่งแต่ว่าปลายทางนั่นก็คือที่สุดแห่งชีวิตนั่นแหละไม่ใช่ตายทางที่เราต้องการเพราะคําตามไม่มีใครต้องการ แต่ก็ต้องเจวด้วยกันทุกคนเพราะการเกิดกับการตายเป็นของคู่กันอยู่แล้วเรียนตรงนี้ให้เห็นชัดเจนเราจะาหายสงสัยเรียนอะไรก็มาหายสงสัยถ้าไม่เรียนตัวเองเพราะตัวเองเป็นผู้หลงตัวเองเป็นผู้ยึดตัวเองเป็นผู้รับผลแห่งการยึดการถือของตนหรือเี่ยว่าตัวเองเป็นผู้รับ ผลังความผิดท้องตอนเองจิ่งต้องเรียนลงที่ตรงนี้ชาติปิตุขาเรียนให้ถึงใจขณะที่เกิดทุกข์แสนสาหัสเราจำไม่ได้ลอดตายมาแล้วถึงมาเป็นมนุษย์นั่นท่านบอกว่าชาติปิตุขาท่านพูดด้วยความจริงแต่เราจำไม่ได้เสี๋ยวเหมือนกับว่าไม่ไม่ใช่ความจริงชาติปิตุขาขโมงเงันๆ สี่ขาห้าขาสี่เท้าห้าเท้าไม้ยันนุ่นยันนี้ดีที่ไหนน่ามานํนำปดูขังก่อนที่จะตายก็กระวนกระวายแสนสหัสทั้งผู้ที่มีชีวิตทั้งผู้ที่จะผ่านไปต่างคนต่างมีความเดือดร้อนโดยกันไม่มีกองทุกข์อันใดที่จะมากยิ่งกว่าเวลานั้นผู้เป็นญาติเป็นนิดผู้เกี่ยวข้องลูกเต่าหลานเลียสามีภรรยาก็ต้องเดือดร้อน เป็นหัวใจในขณะนั้นผู้ที่จะผ่านไปก็เดือดร้อนเต็มหัวใจจะไม่เรียกว่าทุกข์อย่างไรถ้าเราเรียนให้เห็นความจริงเช่นี้แล้วทําไมเราจะไม่ได้คติจากการพิจารณาเช่นี้แล้วอะไรมันถึงจะสูงก็พิจารณาให้ทราบคือเราบังคับไม่ได้นั่นแหละมันถึงเป็นไปฉะนั้นหากเป็นสิ่งที่บังคับได้แล้วโลกนี้ไม่มีปาชาเพราะชาติและบุคคลบังคับกันได้ด้วยกันแต่นี่เป็นสิ่งที่สูงโดอสาย นี่เรื่องของชาติปีตุขาชาลาปีตุขามรนามปีตุขังแล้วอยู่ที่ไหนที่อธิบายมาเวลานี้อยู่กับเราทุกคนไม่บกพร่องสิ่งนี้จะต้องเจอด้วยกันทั้งนั้นแม้ผู้เทศก็พ้นแต่ไม่ได้เพราะเป็นความจริงเสมอกันนี่ท่านก็เรียกว่าสัจธรรมเราเรียนสัจธรรมนี้ให้เข้าใจเรื่องสัจธรรมแล้วพยายามตักตวงความดีในขณะที่สิ่งเหล่านี้ยังไม่สลายตัวซึ่งกำลังเป็นเครื่องมือของเรา อยู่ดีๆนี้ให้ได้รับผลประโยชน์ขึ้นมาอย่าให้เสียเว ล, เวลาไปเปล่าๆภาวนานั้นเนี่ยทราบเรื่องเหล่านี้ได้ดีพระพุทธเจ้าก็ภาวนาจึงทราบเรื่องเหล่านี้แนะ น, นาเรื่องเหล่านี้มาสอนสัตว์โลกเราก็ดําเนินตามท่านให้ทราบเราเคยไปเมืองนอกเมืองนาทวีปไหนเราเคยไป ดูโลกด้านโลกนี้ดูโลกไหนก็ไม่หายสงสัยดูโลกไหนก็แบบกองทุกไปไม่มีอะไรบกพร่องทุกไปทุกแข่งทุกผลเรากลัวเราไปที่ไหนเป็นทุกไปนั้นคำว่าเป็นจุบลื่นเลิกลมั่งก็เป็นความสําคัญของตนต่างหากแต่ถ้าได้เห็นทุกภายในนี้แล้วถ้าได้ดูโลกภายในตัวของเหล่านี้แล้วก็จะกระจะปรากฏเป็นโลโกบิทูขึ้นมาเรื่อรู้แจ้งโลกหายสงสัยเรื่องโลกโลกนอกโลกในโลกที่ไหนก็ตามใกล้ไกลเมื่อ แต่พิจารณาเป็นทะขันนี้ตลอดทั่วถึงแล้วจะมีความสุขขึ้นมาในในจุดนี้พิจารณาอย่างไรพิจารณาทากขันเบื้องต้นพอพิจารณารูปกายหลังที่ว่า น, นี่ดูความแปรปรวนเราก็ทราบได้ชัดความทุกข์ก็เกิดขึ้นในขันอันนี้พิจารณาให้ดีใจนั้น ตามหลักธรรมชาติแล้วไม่ใช่เป็นผู้สุขไม่ใช่เป็นผู้ทุกข์เป็นผู้รู้เฉยๆถ้าเราพิจารณาให้เข้าถึงความจริงจริงๆแล้วต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นทุกข์เป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาเนอมันเป็นใจรักสุขก็เป็นใจรักที่อยู่ในวงสมมูลแล้วเป็นเป็นใจรักด้วยกันทั้งนั้นปัญญาพิจารณาให้ชัดเจนโดยอาศัยธาตุขันนี่แหละเป็นหินรับปัญญาให้คมกล้าขึ้นโดยลําดับ แยกแยะ แ, แยกส่วนแบ่งส่วนแห่งด้านกายให้เห็นแต่ยังไม่ตายดูตั้งแต่ตอาเช่นตาช้าเนี่ยดูตั้งแต่ในขณะนี้อย่าด่วนให้เขานําเราไปป่าช้าไปสู่เมนเราดูป่าช้าของเราก่อนดูตั้งแต่ข้างนอกข้างในดูเข้าไปโดยละเอียดทั่วถึงจิตจะมีความเพิดเพลินเมื่อเห็นความจริงของสกุลงกายนี้มากน้อยเพียงไรแทนที่ใจจะมีความอิดหนาระอาใจมีความพอถอยอ่อนแอ เศร้ามองภ า, ายในจิตใจหรืออับเฉาไม่เป็นเช่นนั้นยิ่งเป็นความรุ่นเรืองบันเทิงขึ้นมาจิตใจยิ่งเบาโดยลๆๆําดับลําดับเพราะเราเคยไปยึดไปถือสิ่งเหล่านี้มาเป็นเวลา น, นานแล้วโดยที่เราถือว่าเป็นเป็นเหราเป็นของเราทั้งท่านทีกองทุกเต็มอยู่กับความยึดความถือเราก็ไม่ทราบได้แต่เมื่อได้อย่างทราบโดยด้วยปัญญาแล้วความยึดความถือจะทนไปไม่ได้ต้องถอยสลัดออกทันทีทันใดหรือค่อยสลัดออกเรื่อยๆตามอำนาจของปัญญาที่เข้าใจ ท่านเนี่ยแบบพิจารณากองรูปคือร่างกาเวทนาคือความทุกข์เอาความทุกข์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญให้เห็นทั้งที่อาศาัยกายเกิดขึ้นระหว่างกายกับเวทนารบกันเอาเราจะพูดว่ารบกันต่อสู้กันคําชอบช้ำจะเข้ามาสู่กิจเงีเรา สองอย่างนั้นเขาไม่ทราบความหมายของเขาแต่จิตผู้ทราบความหมายจะได้รับความชอบธรรมถ้าปัญญามไม่สามารถที่จะติดกั้นไว้ได้จิตใจจะมีความชอบธรรมมากทีเดียวแต่เมื่อเราได้พิจารณากายและมพิจารณาทุกขเวทนาให้เห็นชัดเจนตามความจริงของกายของเวทนาแล้วแทนที่จิตจะบอบชามกายเป็นจิตที่ผ่องใสขึ้นมามีความสงบตัว สนุกดูทุกขเวทนาได้อย่างอาจฐา น, นาผิดกันอย่างนี้การพิจารณาเพียงสองอย่างนี้ก็พอแก่การพิจารณาอยู่แล้วสัญญาเป็นความละเอียดสังขารคือความคิดความปรุงก็ชั่วขณะขณะแต่สิ่งที่ปรากฏอย่างเด่นชัดก็คือรูปคือกายของเรากับเวทนาที่แสดงตัวอยู่เสมอเสมออย่างหยับหยาบหรืออย่างชาัดเจน คำนนี้ก็พอจะเข้าใจได้เมื่อเข้าใจสองอย่างนี้้เรื่องสัญญาคือความเป็นหมายเรื่องกายเรื่องเวทนามันก็แทรกกันไปด้วยปัญญาเหมือนกันจะเข้าใจในในระยะเดียวกันยิ่งเป็นวรรคสาคัญคือจะเป็นจะตายจริงๆแล้วนักปฏิบัติจะถอยไปไม่ได้ถอยก็แพ้นี่ เราไม่ต้องการความแพ้ทุกขเวทนามีมากมายเพียงไรเราจะต้องต่อสู้ให้เข้าใจถึงเรื่องทุกเวทนาด้วยปัญญาให้เข้าใจเรื่องกายเรื่องเวทนาที่กําลังพัวพันกันอยู่ในขณะนั้นเอาเรียกว่าพัวพันกําลังชุลมูลวุ่นวายกันอยู่ขณะนั้นถ้ า, าว่า ส, สติปัญญาไม่มีก็จะว่าเราทั้งเหล่านี่แหะเป็นทุกเราทั้งเรานี่แหล ะ, หละจะตาย แล้วเราก็ไม่อยากตายเราเขาไม่อยากเป็นทุกข์อันนี้แหละคือการสั่งสมทุกขึ้นโดยเราไม่รู้สึกตัวแต่ถ้าเราพิจารณาตามความจริงแล้วอาทุกข์ก็ทุกข์ปีทะไรให้แสดงขึ้นมาเราเป็นผู้ที่จะฟังเรื่องสัจธรรมคือทุกขสัจเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นที่ไหนค้นดูตามเนื้อตามหนังตามเอ็นตามกระดูกที่ว่าเป็นทุกขเป็นทุกขพ้นดูแล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรส่วนไหนก็ส่วนนั้นอยู่ตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ไม่มีความเปลี่ยนแปลง ไปจากหนังไปจากเนื้อจากเอ็จากกระดูกไปเป็นอย่างอื่นมันเป็นความจริงข้งมันเช่นน้นทุกสแสดงขึ้นมาก็เป็นความจริงของเขานี่เรียกว่าปัญญาจิตไม่ตายทุกขเวทนาเป็นสิ่งที่ดับได้เกิดได้ดับได้จิตดับไม่ได้ดจิตจึงทนต่อการพิสูจน์ทนต่อความรู้ที่จะรู้สิ่งต่างๆเพราะจิตไม่ได้ชิปหาย นั่นแหละเราจึงมีทางที่จะต้องพิจารณาด้วยปัญญาของเราให้เห็นชัดเจนเอาตายก็ตายแตกก็แตกผู้ไม่แตกมีอยู่เราจะทราบถึงความแตกดับของเวทนาเอาดับไปเมื่อไหร่ให้ทราบกายจะแตกก็ให้ทราบไม่มีการท้อถอยแตกก็ก็แตกไปอย่าปรารถนาให้เห็นตามความจริงของมันจะแตกก็แตกไปสลายก็ให้สลายไปนี่คือ่าพิจารณาตามความจริงแล้วจะสนุกพิจารณา เห็นความจริงอย่างเต็มศักดิ์เต็มส่วนแม้ที่สุดน่างกายจะสลายั้งไปเราก็เป็นสุขโตไปอย่า ง, ง ouais. อ ง, อ, งอาจกล้าหาญไม่มีความอับเฉาภายในจิตใจเลยนีเรียกว่าสุขโตด้วยการพิจารณาอย่างนี้มีเป็นประการเนี่ยประการสาคัญก็คือพิจารณาอย่างนี้แหละจนกระทั่งเข้าใจจริงๆในเรื่องขันทั้งห้า คือรูปประขันก kind of like like like ็เป <Europe> ็นรูปประขันให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เวทนาขันก็เป็นเวทนาขันคือกองของเวทนาหมวดของเวทนาจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นัสัญญาก็เป็นสัญญาสังขารเป็นสังขารวิญญาณเป็นวิญญาณแต่ละอย่างในอย่างเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้จิตต้องเป็นจิตเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ต่างอันต่างจริงอย่านําไปฆ่าคล้ากันที่จะนาแยกออกด้วยสติปัญญาอันขันสมัยแล้วจากอันก็ต่างจะจริงตามหลักธรรมชาติ จิดก็จริงด้วยอั น, นาจของปัญญาพิจนาแยกแยกให้เห็นตามความจริงรูปเวทนาทัญญาทังขาวนญษยก็จริงจริงทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่จริงทั้งเวลาที่สลายไปกับสลาย ไ, ไปตามความจริงของเขาผิดก็จริงเต็มภูมิของผิจนี่เมือเป็นเช่นนี้แล้วพิจนาถึงขั้นนี้แล้วเป็นผู้หมดความหวั่นไหว เรื่องการเต็นการตายไม่เห็นมีความหมายอะไรเลยเป็นความจริงแต่และอย่างละอย่างเช่นเดียวกับสิ่งทั้งหลายที่แต่สภาพลงไปเช่นนั้นเนี่ยผู้นี้คือพูดรมชัยชนะไว้ได้อย่างสมบูรณ์แล้วไม่เดือดร้อนเวลาตายธรรมนาธรรมนาเพราะเราพิจารณาให้ถึงให้ ถูกตามหลักธรรมชาติธรรมดาไม่ปีนเดียวไม่ฝืนหลักธรรมชาติหลักธรมกธรมดามไปสติปัญญาเดินตามหลักธรรมชาติพ่อทำท่านสอนตามหลักธรรมชาติท่านไม่ฝืนความจริงเมื่อพิจารณาตามความจริงรู้ตามความจริงแล้วจะไม่มีอะไรฝืนกันเลยปล่อยตามความจริงเอาเป็นก็เป็นมีชีวิตอยู่ก็รับผิดชอบกันไปหาไม่แล้วก็ปล่อยไปเสีย เครื่องกังวลวุ่นวายไปทั้งกองได้แก่ธาตุแยขันอันนี้ทาราหเวปันจักขันานธาทาราฮโรกจปุขโรขันตั้งห้านี้แหละเป็นภาระอันหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งโลกนะแล้วปล่อยวางขันตั้งห้านี้ได้ด้วยปัญญาอันรอบตูวเป็นผู้ดับสนิทในเรื่องทุกข์ตั้งปวง จะหาที่เกิดขึ้นไม่ได้ภายในจิตใจตั้งแต่บัดนั้นต่อไปนั่นและท่านเรียกว่า น, นี้พานังประมังสุขขังคือสุขล้วนไม่ใช่สุขกัด้วยทุกขเวด้วยเวทนาเป็นสุขในหลักธรรมชาติเป็นสุขในจิตที่บริสุทธิ์ไม่จะสุขในสมมุติสุขในวิมุตจึงประมังสุขขังนี่คือสาระคุณ เราจะเรียกว่านิจจังนิจจะทำคือธรรมที่เป็นของเที่ยงก็ไม่ผิดไม่มีอะไรจะแย้งภายในตัวเองแล้วคนอื่นไม่สําคัญเรื่องอื่นไม่สําคัญขอให้เจ้าของบู้ตามความเป็นจริงหมดทางที่จะขัดจะแย้งเจ้าของซึ่งเป็นตัวสําคัญคือเจ้าของเองนี้เท่านั้นก็หมดปัญหาไป เนี่ยที่กล่าวเบื้องต้นว่าอย่างที่กีรังถาวรโรกต้องการแล้วสิ่งนี้ก็อยู่ในจุดที่ไม่ถาวรดังที่กล่าวแล้วที่นี้คืออมตะตังได้จกกิตที่ไม่ตายเนี่ยตอนหนึ่งไม่ตายด้วยความหมุนเวียนของอำนาจที่เลสดมันถักใสให้ไปสู่ภพต่างๆ ทั้งสุดท้ายที่ชาระไปหมดโดยสิ้นเชิงแล้วเป็นอมตะด้วยความไม่หมุนเอียงน่นะเราจะเรียกว่าธรรมชาติที่เที่ยงหรือนิพานเที่ยงกับอ น, นิเที่ยงก็อันเดียวกันพิลังธาวรก็ได้แก่อันนี้เป็นที่พึงใจก็ได้แก่สิ่งนี้หมดความหวาดคลามะแวงอะไรทั้งหมดก็คือธรรมชาติอันนี้ที่ปล่อยตัวเองแล้วโดยโดยสิ้นเชิง คำว่าตัวว่าตัวได้ปล่อยวางโดยสิ้นเชิงเน้ยตัวนั้นเป็นตัวของพิษของภัยตัวของที่เดืตดรนหาสวะตัวของกองอย่ทั่วหัวตาจึงต้องเสียดแทงอยู่เสมอเมื่อปล่อยธรรมชาตินี้ได้โดยสิ้นเชิงแล้วจึงไม่มีอะไรที่จะพูดต่อไปอีกถึงเวลาก็ไปอย่างสบายสบายหายห่วงมชีวิตอยู่ก็อยู่ไปกินไปหลับนอนไปเหมือนกับโลกทั่ทวไปเมื่อถึงการแล้วก็ไปไม่มีปัญหาอะไรเลย ในความเป็นอยู่กับความตายไปสำหรับผู้ที่สิ้นปัญหาภายในจิตใจโดยสิ้นเชิงแนวเป็นอย่างนั้นนี่แหลคือสาระคุณของมนุษย์เราได้จากสาธนธรรมสมกำนามที่มนุษย์เป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดนำสาสนาธรรมซึ่งเป็นของพระเสร็เลือโลกมาเป็นช่องทางํำเหนอหลีกหลบหลีกเลี่ยงทุกทั้งหลายไปได้จนทะลุ ป, ปูฟงพ้นจากภัยโดยประการทั้งปวง นี่ชื่อว่ามนุษย์ผู้ฉลาดแหลมคมตรงกับที่ว่าสัจจะประโยชน์ปานังเอตังผู้ธานาสาสนางท่านจิตให้ปองสายจะมาทั้งบริสุทธิ์แล้วนั่นแหละทื่ว่าเป็นผู้ทรงธรรมสอนพระเจ้าได้ทรงธรรมของพระเจ้าได้ทรงที่จิตทรงที่ใจทรงอยู่ที่นี่เป็นมหาสมบัติการแสดงธรรมก็เห็นมาสมบูรณ์ขอจุติเพิ่มพอดีเทปกับหมดนะพอเคปดูน้าแจกนี่